มูลกะใน3ามอยยีอนุบุคคลใดละกามราคานุสัปยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัปยปฏิคานุใสและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหม วิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุัยและมานานุัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่การมาราคานุัยและปฏิคานุัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุัยการมาราคานุัยและมานานุัยในที่นั้นไม่ได้แล้ว แต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่กามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละภวะราคานุัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละภวะราคานุัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุัยปฏิคานุใสและมานานุใยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลนั้นละมานานุัยไม่ได้แล้วแต่กามราคานุัยและปฏิคานุัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุ บุคคลใดละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลนั้นและอวิชานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นและอวิชานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนา บุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วกรมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลเหล่านั้นและอวิชานุสัยกรามราคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นและอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่กรามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว เตกกมูลกะในจบสามอยี่สิบเจ็ดอนุบุคคลใดละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย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 และทิฏฐานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วปฏิฆานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสยัยปฏิฆานุสยัยและทิฏฐานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วกามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วสามอยี่สิบปอนุบุคคลใดละกามราคานุสยัย ปติคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละภวราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ บุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละภวราคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วรามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละภวะราคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัย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 บุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้ว การมาราคานุสายและปฏิคานุสสยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสสยและมานานุสสยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสายทิฏฐานุสสยและวิจิกิจานุสสยไม่ได้แล้วปฏิคานุสสยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนา บุคคลนั้นไม่ได้ละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วการมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลสองจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้ว การมร a k a นุส oh oh <mo> ma so ัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในความธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยการมราคา n ุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละธิฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกเวทนา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 บุคคลนั้นและอวิชานุสัยปัตตคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปัญจกะมูลกะในเจ้าฉากะมูลกะในสารยยี่สิบเอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏตตคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย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 แต่ไม่ใช่ละก a, William, นน shall shall ะารมาราคานุส e ัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยและภาวราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วกามราคานุสัยมานานุสัยและภาวราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า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 บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรมธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยการมราคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยและภาวราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้ว การมาราคานุสัสมานานุสัสและภาวราคานุสัสไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วชักกะมูลกะในจบปฏิโลมในปหินวาระจบปหินวาระจบ ปัจฉะหนวาระ3ามอสสอนุกางมราคานุสัยของบุคคลใดเกิด ป, ะะ pues ปฏิจคานุสัยของบุคคลาคา น, คค น, นั้นก็เกิดใช่ไหมวิใช่ใปฏิปฏิจคานุสัยของบุคคลใดเกิดกางมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็เกิดใช่ไหมะะวิใช่อนุกางมราคานุสัยของบุคคลใดเกิดมานานุสัยของบุคคลนั้นก็เกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ มานานุสัยของบุคคลใดเกิดการมาราคานุสัยของบุคคลนั้นก็เกิดใช่ไหมวิมานานุสัยของอนาคามีบุคคลเกิดแต่การมาราคานุสัยไม่เกิดมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกเกิดและการมาราคานุสัยก็เกิดพึงขยายความให้พิจารณาสร้อยสาเอดอนุการมาราคานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดปฏิค า, านุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิปฏิคลานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดกรรมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมวิใช่อนุกรรมราคานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมวิการมราคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่เกิดแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่เกิดการมราคานุสัยของอรหันต์บุคคลไม่เกิดและมานานุสัยก็ไม่เกิดปฏิ ปาติกานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดกรมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมวิใช่พึ่งขยายความให้พิสดารอุปัชฌะหะวาระจบ7จ็าตุปุ ช, ชาวาระกรรมธาตุโมลกะในสาม้สาสบาบุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุแล้วอุบัตในกรรมธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร่ไ มีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกรมธาตุแล้วอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุแล้วอุบัติในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุแล้วไม่อุบัติในกรรมธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร ไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามาธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามาธาตุแล้วไม่อุบัติในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไร บุคคลผู้จุติจากการมธาตุแล้วไม่อุบัติในกรรมธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร่ไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหร่มีอนุสยะพังคะเท่าไหร่บุคคลผู้จุติจากการมธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหร่ไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหร่มีอนุสยะพังคะเท่าไหร่บุคคลผู้จุติจากการมธาตุแล้วไม่อุบัติในการมธาตุและรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยาพังคะเท่าไรการมธาตุมูลกะในจบรูปธาตุมูลกะในสม้อยสบบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยาพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วอุบัตในกรมธาต มีอนุัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วอุบัติในอรูปธาตุมีอนุัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในการมาธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไร บุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติอยู่ในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกางมาธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร ไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอน no ุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอน hmm. SI ุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในปามาธาตุและรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไร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 บุคคลผู้จุติจากอรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสิยาพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากอรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกลามธาตุและรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสิยาพังคะเท่าไรอรูปะธาตุมูลกะในจบนักการมธาตุมูลกะใน 335บุคคลผู้ไม่จุติจากการมธาตุแล้ว อ, 네อุบัติในกามธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุส <So, <So, <So, <So, ัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากการมธาตุแล้วอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากการมธาตุแล้วอุบัติในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร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 ไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากกรรมธาตุแล้วไม่อุบัติในกรรมธาตุและรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรนกกรมธาตุมูลกะในจบนรูปธาตุมูลกะในสามร้อยสาสิบบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและวอุบัตในกรมธาตุ มีอนุสยนนนันสยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยาพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยาพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและอุบัติในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยาพังคะเท่าไร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 บุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกลามธาตุและรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรนรูปาธาตุโมลกะในจบนรูปาธาตุโมลกะใน3 3 7บุคคลผู้ไม่จุติจากอรูปธาตุแล้วอุบัติในกลามธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร มีอนุสยะพังคะเท่าไหร่บุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหร่ไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหร่มีอนุสยาพังคะเท่าไหร่บุคคลผู้ไม่จุติจากอรูปธาตุและอุบัติในอารมณ์ธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหร่มีอนุสยะพังคะเท่าไร่บุคคลผู้ไม่จุติจากอรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกลามธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไหร่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 มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรณอรูปะธาตุมูลกะในจบนกธรรมะณอรูปะธาตุมูลกะใน338บุคคลผู้ไม่จุติจากกรรมธาตุและอรูปธาตุและอุบัติในกรรมธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไร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 แล้วไม่อุบัติในกลามรธาตและรูปธาตมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสยะพังคะเท่าไรนากามะนอรูปะธาตุมูลกะในจบนาโปะนอโรปะธาตุมูลกะใน339บุคคลผู้มีจุติจากรูปธาตและรูปธาตและอุบัติในกลามรธาตมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไร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 ไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสียะพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในความมธาตุและรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสียะพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุและรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสียะพังคะเท่าไร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 มีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้ไม่จุติจากการมธาตุและรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในการมธาตุและรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรณ ก, กามมณรูปธาตุโมลกะในจบธาตุปุชาวาระจบ